ー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 ตอนที่รัชกาลที่แปนะเสด็จสวรรคตเนะี่ยก็เจ็ดสิบปีมาแล้วนะคนที่อายุแปดสิปีเนี่ยถึงจะจำความได้แล้วก็จะยังเด็กอยู่นะก็จะยังไม่รู้สึกอะไรนะต้องแปดสิบห้าเก้าสิบเนี่ยถึงจะรู้สึกว่าเออเคยมีการสูญเสียในหลวงมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เมื่อวานแต่คนที่แปดสิเก้าสิบนี่ก็ทุกวันนี้ก็เหลือน้อยเต็มทีนะในที่นี้ก็มีน้อยมาก จึงพูดได้ว่าส่วนใหญ่เรียกว่าคนเกือบทั้งประเทศนะเพิ่งได้พบกับความสูญเสียในหลวงนะจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ส่วนใหญ่คนในชาติก็เกิดมาก็มีในหลวงละก็อยู่ใต้บารมีของในหลวงแม้ว่าพ่อแม่จะเสียชีวิตไปนะก็ยังมีในหลวงนะเป็นประมุขของชาตินะ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 อนนี้นอาจจะมีบางคนที่คิดแบบนั้นนะก็อยากจะให้เขาเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เขามีความเศร้าโศกนะอยา่าไปสำคัญตนโอฉันมีธรรมะสูงนะฉันทำใจได้พวกเธอนี่ยังอ่าเป็นชาวพุทธเสียเปล่าหรือว่าเข้าวัดเสียเปล่านะยังอดกลั้นหรือว่าข่มใจไม่ได้นะ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 ก็คือมันทําให้เราตัวเล็กลงอันนี้มีประโยชน์มากสำหรับคนที่มีอัตราพองโตนะคนหลายๆคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ากูเก่งกูนแน่นะมันจะมีอัตราพองโตขึ้นมาหรือฉพาะคนเก่งหรือว่าคนที่ถือตัวว่าฉันเรียนมาสูงหรือว่ารวยกว่าเนี่ยแต่เมื่อก็ตามที่คนเราเกิดความเศร้าโศกขึ้นมาในใจเนี่ย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 ถึงแม้ว่าเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องต้องมีความอะลัยอวรนในสมัยรัชกาลที่หเนี่ยพระปิยมหาราชเนี่ยท่านเสด็จสวรรคตเนี่ยตอนนั้นก็ร้อยปีกับอีกร้อยปีนะมหาราชสองพระองค์นี่เสด็จสวรรคตเนี่ยห่างกันร้อยหกปีพระปิยมหาราชก็ สมเด็สวรรคตปีสองสห้าสมนะตอนนั้นเนี่ย อ, อย่าว่าแต่คารวาเลยนะแม้แต่พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ก็เศร้าโศกเสียใจรัชการที่หกท่านท่านเล่าว่าเนี่ยวันที่นิมนต์พระมาสวดสดับะกร์นะคืนแรกเนี่ยนะที่พระบรมราชวังเนี่ยอย่างที่กำลัง เ, เกิดขึ้นที่ตอนนี้แม้แต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยามบลโรดนะ ก็เสียงสั่นเครือนะเสียงสั่นเครือแล้วก็สะอื้นไปบางครั้งกรมบรรวงชินวันสิริวัตรซึ่งภายหลังก็ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชต่อจากสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยก็ก็สวดไม่ค่อยได้นะเพราะว่าด้วยความเศร้ามีบางองค์เนี่ยนะพระสมเด็จพระพุทโธโกศาจานี่นะสวดไปก็ร้องไห้ไปยิ่งพระธรรมวโรดมวัดวัดเบญจมาวพิษเนี่ยก็ร้องไห้เหมือนคารวาะเลย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 แต่ว่าถ้าเราไปอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยก็ทําให้จมอยู่ในอารมณ์ความเศร้าโศกมากขึ้นจนถ้าไม่มีเรื่องไม่มีแรงทํางานที่จริงการลุลกขึ้นมาทํางานที่ช่วยนะมีเพื่อนคนหนึงเป็นหมอเนี่ยแกก็เศร้าโศกเสียใจมากนะตั้งแต่เมื่อวานและ ว, วันนี้ตื่นขึ้นมาก็ไม่ค่อยมีเรื่องไม่มีแรงแต่ว่าต้องมีหน้าที่นะไปสอนไปสอนไปสอนอ่า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 ไม่งั้นเราก็ไม่ได้ทําหน้าที่ในหวงของเราเนี่ยพระองเหนื่อยยังไงนะเหนื่อยกายนะแต่ว่าใจไม่ยอมเหนื่อยนะพวกเรานี่ก็ก็พยายามรักษาแจงเราอย่าให้เหนื่อยนะจะมีความอะไรอาวรนด้วยความเพราะความสูญเสียก็อย่าให้จมอยู่ในอารมณ์ น, น, นิ่นานนิสสาวพวกเราเนี่ยซึ่งเป็นนักปฏิบัติเนี่ยนะที่นี่เนี่ยนะออันนี้ก็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 มาเล่นงานเราเฉยๆนะหรือว่ามาคล่องงาจิตใจเราก็ถือว่านี่เป็นโอกาสในการที่จะฝึกสตินะเพื่อให้มีความสึกตัวใ้ความเศร้านี่เราไปกดข่มมันไม่ได้ไม่ได้ผลนะสิ่งที่เราต้องทำคือรู้ทันมันเคยมีคนถามหลวงปู่ดุลย์อตุโลนะซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกแรกๆของหลวงปู่มัน่นแต่ไม่ได้ถามเรื่องความเศร้าถามเรื่องความโกรธถามว่าท่าน ไ, ไงถึงจะตัดความโกรธให้ขาดได้หลวงปู่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 คนไทยสมัยก่อนจะเรียกธรรมะนะโดยเพราะสตรักษ์เนี่ยเรียกแบบจกจ้องนะเรียกว่าพระอนิจจาเรียกว่าพระอนัตตานะเรียกเพื่ออะไรเรียกเพื่อให้รู้ว่ามันมีประโยชน์นะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะถ้าเราถ้าเราถ้าเราเกี่ยวข้องกับอนิจจังหรือพระอนิจจาถูกนะ มันก็ทำให้เราไม่ทุกขนะ์อรนนิจาเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดความเจ็บปวดนะมันหมายถึงความพัดพร่าหมายถึงความสูญเสียหมายถึงความเสื่อมสลายหมายถึงความวิบัตนะิไม่ต้องพูดถึงความแก่ความเจ็บและความตายแต่ว่าถ้าเราเข้าใจนะถ้าเราเข้าใจพระอิจาร์เนี่ยนะก็สามารถจะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้